ในเทพผมไม่ค่อยสนิทใจน้กมันไม่ค่อยผุดเต็มไม่เต็มหน่อยถ้งอย่างไรมันก็ต้องออกอยู่ด้วยดีมไมเเ่เฉพาะเฉพาะตามแม่สนิทนิดนึงเมื่อธรรมะต้องลดลงตามความไม่สนิต ทุกท่านมาจากที่ต่างๆมาด้วยความมุ่งหวังต่อธรรมามาทมถ้าจะเทียบก็เหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับชะล้างสิ่งที่สะกะปรกทั้งหลายให้สะอาดไปได้ผู้ที่จะผู้ที่สะกะปรก ก็คือเราที่จะนำน้ำมาํำละก็คือเราจะสามารถนำได้น้ำมาได้มากน้อยแย่ไหก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่และรายละรายไปน้ำในสถ า, านที่นี้ได้จะทำทำทำมีทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผล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 มากน้อยแทบได้สิ่งที่ดีแทบได้เพราะอยู่ในวงสมมุติด้วยกันดีสำหรับแก้ชั่วน้ำสะอาดก็คือฝ่ายเหตุอันเป็นสมมุติเหมือนกันแก้สิ่งส ก, กปรกซึ่งเป็นสมมุติได้การออกด้าเป็นลำดับลำดาตามขั้นภูมิของ สิ่งนั้นๆทั้งสองฝ่ายส่วนเป็นผลในหลักธรรมชาติอันแท้จริงนั้นเป็นอีกอย่างหนึง่งนอกจากทาฝ่ายเหตุอันเป็นส่วนสมมติและสิ่งสกรปรกมากน้อยโดยลำดับ ซึ่งเป็นส่วนสมมติด้วยกันนี่อยู่ในขอบเขตแห่งสมมติมีความสะลายตัวไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ธรรมชาติที่นอกสมมตินั้นไม่สามารถจัดตั้งชื่อได้แต่ทราบได้ชัดเจนภายใน จ, ใจิตใจ เราทุกคนเฉพาออย่างยิ่งคือนักบวชของเรานักปฏิบัติของเราเกิดมาในท้ำกลางแห่งความศกระตกคือสิ่งที่พาให้เกิดนั่นแหละนั่นเรียกว่าสพกระกไม่ใช่ธรรมชาติแท้สัตว์แต่ละตัวละตัวมีอย่างเดียวกันกับมนุษย์เรา ใจก็คือความรู้เหมือนกันแต่มนุษย์เรารู้ภาษีภาษามีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์จึงสามารถประพฤติปฏิบัติตัวได้พูดดีก็ทราบพูดชั่วก็ทราบว่าบาป บ, บุญคุณโทษก็ทราบสอนวิธี แก่วิธีถอดถอนชะล้างก่อศาส์ด้วยเหตุนี้ทำซึ่งเป็นคำสั่งสอนอันเป็นอุบายที่ถูกต้องซึ่งได้รับผลมาแล้วจากพระพุทธเจ้ารวมนำมาสอนเราจึงสามารถรับไว้ได้ศาสนาจึงสถิตอยู่ที่แดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใด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 ถ้าสักแต่ว่าทมไม่เกิดประโยชน์ขอให้พากันทราบไว้ด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนหรือดูด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนจึงต้องมีอยู่เสมอเพรา ะ, สะแสลงตาในกิริยาที่ทมว่าไม่ใช่เป็นทางที่จะชำระสะสาร แม้การแสดงออกนั้นเป็นกิริยาเหมือนการชำระฐาสามก็ตามแต่มีอีกอันหนึ่งที่แทรกอยู่นั้นม่นไม่ใช่การชำระความเผลอความไม่รอบคอบความไม่ตั้งจิตตั้งใจนั่นแหละเรียกว่าเผลอเหล่านี้เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเฉยๆการทำความเพียนตามหลัก ทำที่ท่านสอนไว้มีสติเป็นสำคัญมากทีเดียวสติเป็นตัวยืนโรงเลยสติสบัตถปฏิยาสติมันตั้งได้มากน้อยย่อมมีความรู้สึกตัวและเป็นผลแก่ผู้ทําไปตามกําลัง อย่างการตั้งสติได้กิเลสประเภทต่างๆย่อมหนานแน่นมาดั้งเดิมการที่จะประกอบความภาคเพียรให้ได้ดังใจหมายในเบื้องต้นเพ่นให้จิตสงบแล้วสงบตามความต้องการทีเดียวเลยนั้นแม้จะมีได้ก็เป็นจานวนน้อยมาก นอกจากจิต ป, ปาพิญญาคือพุทธิสามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นนอกนั้นต้องใช้ความพยายามเต็มสติกำลังความสามารถเพราะกิเลสหนาแน่นภายในใจเราจะทำอย่างออมแรงอย่างนั้นหรือทำในลักษณะที่เกียจที่คร้าน ฝืนทำไปอย่างนั้นฝืนก็มีชั่วขณะนอกนั้นก็ปล่อยไปตามยาถากรรมเสียเช่นนี้จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไปเลยคำว่ากิเลสนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักธรรมชาติของมันจริงๆแล้วอยู่กับจิตเหี่ยที่ว่ากิเลสกิเลสเรายกขึ้นมาเป็นปุกราธิฐานเช่นอย่างการต่อสู้ กับมันอย่างนั้นอย่างนี้คือความขี้เกียจมันก็เป็นภัยอันหนึ่งหรือเป็นค่าสึกอันหนึ่งความข ย, ยันก็เป็นเครื่องต่อสู้อันหนึ่งนะความอดความทนของเราก็เป็นเครื่องต่อสู้ถ้ายกเป็นเรื่องของบุคคลก็เรียกว่านักต้นต่อกอนกันหรือต่อสู้กันางนี้เป็นนา ม, มาทําด้วยกันทั้งสองอย่าง ถ้าจะพูดแต่นามธรรมอย่างเดียวผู้ฟังก็ไม่สามารถจะจับได้ทุกข้อทุกขแขนงไปจึงต้องใช้เป็นปุกาที่ฐานบ้างธรรมมาที่ฐานบ้างคือยกสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นบุคคลเข้ามาเปรียบเทียบบ้างพูดเรื่องเ ป, เป็นเรื่องธรรมะล้วนๆบ้างซึ่งล้วนแล้วแต่อุบายวิธีที่ท่านเคยปฏิบัติ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 ไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่ากิเลสทุกประเภทภายในจิตใจนี่พูดตามหลักธรรมชาติที่ได้ทดสอบที่ดพินิติพิจารณากัรระหว่างธทรรมกับกิเลสให้ละเอียดละ อ, อถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นแลวสิ่งที่รบรวนกวนใจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่อื่นใดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งเพ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 เพราะสติปัญญาไม่ทนหรือยังไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือสติปัญญายังไม่ลึกซึ้งพอที่จะทราบกิเรสประเภท น, น, นั้นได้และไม่สนใจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ากิเลสกับธรรมเป็นอย่างไรบ้างทั้งๆ ท, ที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละดวงระดวงนั่นแหละนี่สาคัญอยู่ที่นี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 มาจากความเพียรนละเป็นเป็นความทุกข์ที่ผิดกันกับกิเลสผิดขึ้นมาเป็นไหนๆทุกนี้เป็นเรื่องของธรรมที่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้กิเลสประเภทต่างๆซึ่งหนักอยู่มากภายในใจิตใจให้ลดน้อยลงไปเป็นความฟุ้งซ่านตกติของจิตจะอยู่เป็นสุขอยู่เป็นตามธรรมนาไม่ได้ต้องดีต้องดิ้น คิดนั้นคิดนี้อดีตอนาคตไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเดือนนานจุดจางก็คือเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจสัตว์โลกนั่นแหละนี่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นมาอย่างนี้ถึงต้องอาศัยบทบริกรรมภาวนาซึ่งจะเป็นคู่ปรับกันกับความฟุ้งซ่านนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาก็อาศัยบทสมทะถะธรรมเข้ากล่องอจิตใจกำหนดอนาปานสติหรือทาบทใดก็ให้รู้อยู่กับทรรมบทนั้นด้วยการบังคับบัญชาหนักเบาก็เป็นงานของเราจนใจเกิดความสงบขึ้นมาภายในตัวเอง ก็เป็นผ้นแห่งธรรมอันหนึ่งที่แสดงออกมาว่าเป็นความสุขยิบเมื่อสงบย่อมเป็นสุขถ้ายังไม่สงบเราก็เคยเห็นแล้วมันเป็นสุขที่ไหนยาคาดอดีตอนาคตซึ่งจะเป็นอุปสรรค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 เรามีเหตุผลเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่แล้วว่าเป็นกิจที่ต้องทำไม่เพียงพูดว่าควรทาพระพุทธเจ้าก็ทรงหนักพอแล้วนั่นพระองค์ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดทรงบึกบึนไปตามพระสติกำลังความสามารถของพระองค์เองสำหรับพวกเรามีแนวทางตำหรักตำลาไว้เรียบร้อยแล้ว มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์แนะนำโดยถูกต้องดีงามอีกด้วยถึงไม่มีอะไรที่จะน่ารูปน่าน่ารูปลูกลูกคำคำทุกก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความถูกต้องจริงๆเช่นสอนให้ตั้งสติบังคับบัญชาจิตใจจิตใจมันผ่าผลมากน้อยเพียงไล ตั้งสติบังคับบัญชาหักห้ามจิตใจของตนมาจะได้ความทุกข์มากน้อยไม่สนใจกับความทุกข์เพราะความเปลี่ยนนั้นแต่สนใจในจุดที่ว่าจิตผาดผนนั่นให้ยอมตัวด้วยการฝุกทรมานของตนเท่านั้นนี่เมื่อเป็นเช่นั้นจิตมันจะเหนือทำไปได้ยังไงความผาดผลของจิตก็ผ่าผลเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการบังคับบัญชาจิตใจ หรือการฝึกทรมานจิตใจก็เพาะอำนาจแห่งธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องปราบความผาดโผนของจิตอันเป็นไปเพาะอำนาของกิเลสนั้นให้สงบตัวราบลงไปโดยลำดับดดบนี่เป็นจริงที่ถูกต้องอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วท่านสอนไว้แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจะทำตามนั้นหรือไม่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องรูปคำอะไรเลยเป็นทางที่ถูกถ้าทาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่สงสัย นอกจากนั้นต่างก็สอนอุบายวิธีการพิจารณาในทางปัญญาเพราะอย่างยิ่งอสุภะเป็นหลักใหญ่มากสำหรับกิจที่มีกิเลสประเภทธรรมดาสามัญต้องได้ใช้สิ่ง น, นี้มากพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาเถอะเป็นมากด้วยกันเห็นพิจารณารูปข้างนอก เป็นรูปหญิงรูปชายส่วนมากก็ท่านพิจารณาก็คือรูปตรงกันข้ามรูปที่เป็นวิสภาคนั่นเองอันเป็นเชื่อสมไฟพิจารณาเพื่อจะดับก็ต้องพิจารณาอสุภาอสุพังตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เครื่องเสกสรรตั้นยอหาความจริงไม่ได้ แต่เป็นความกิ่นทกาพิเกนาในความเป็นอสุภาสุภะนั้นต่างหากเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งหมดเรายังยอมเชื่อมาได้จนขนาดนี้เชื่อของปลอมแล้วทุกเพราะของจอมปลอมนั้นทุกมาได้มากมายขนาดไหน น, นับกับใดกันใดมาจนปัันนี้เรายังไม่เคยอิ่มพอ ยังไม่เคยเห็นโทษในความจอมปลอมที่ธรรมชาติที่เรียกว่ากิเลสนั้นเสกสรร์ปั้นยอหรือกล่อมใจเรามาเรายังไม่เห็นเบื่อเห็นโทษของมันเลยนั่นคือความจอมปลอมโดยแท้การไปชนะอาสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอัตตาความแตกความดับความสลายความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเนื้อของเราด้วย เพราะเป็นความจริงอย่างนั้นนี่คือธรรมเพื่อแก้เคาะสิ่งจอมตอมทั้งหลายที่เสกสรรปันด อ, อกขึ้นมาแล้วก็ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนแกะไม่ออกและไม่สนใจจะแกะไม่สนใจจะแกะ้ไม่สนใจจะถอนจะถอนเลยเพราะเชื่ออย่างจมดิ่งทีเดียวทีนี้จะถอนความจมดิ่งนั้น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 ตื่นหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลงในของไม่มีตื่นในของไม่มียึดในของไม่มีซ้ำคัญมั่นหมายในของไม่มีนั่นเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นโมฆะที่ตื่นลมตื่นแง้งตื่นความส้คาคัญมั่นหมายตื่นกลมายาเพลงของกิเลสทั้งหมดมานานเท่าไหร่อุบายแห่งธรรมซึ่งเป็นของจริง ที่จะชาล้างสิ่งจมปอมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องผิดขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้า ป, ประทานไม่แล้วว่าปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันในส่วนร่างกายของตนและของผู้อื่นใดก็ตามโลกธาตุนี้เป็นเหมือนกันหมดพิจารณาให้ถึงความจริงเอาให้มากจิตใจจะได้สงบตัวลงไปก็คือว่าถูกกับยาเพราะเป็นความ แยกแยะดูให้ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ต้องกําหนดเวลาเวลาเอาให้เห็นความชํานิชํานาญความแจมแจ้งตามความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสกุลากายนี้และจะเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งสติปัญญาของเราเองไม่เกิดขึ้นจากที่ใดแห่งใดแหละจะเกิดขึ้นจากที่นี่พิจารณาให้จริงให้จัง่งเราได้ถูก ขังถูกกลอมมานานแล้วจิตดวงนี้จนไม่สนใจจะหาทางออกเกิดขึ้นมาก็มาเจอเอาอันนี้เลยเพราะสิ่งนี้พาให้เกิดสิ่งนี้พาให้พาให้ตายหรือพาให้เป็นอยู่นี้เอาทำซึ่งเป็นของจริงแทรกเข้าไปพจาณาให้เห็นเอาดูให้ชัดร่างกายดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไป มันสะอาดที่ตรงไหนมันสวยงามที่ตรงไหนหนังสวยงามอะไรแล้วดูที่หนังรองรองเท้างามอะไรสดสวยที่ตรงไหนหนังเราคำหนังรองเท้าผิดกันที่ตรงไหนหนังหญิงหนังชายเป็นหนังเหมือนกันเสกขันตั้นดอกันไปว่าหญิงม่าชายที่ไหนนี่ก็คือแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาเป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาหลักธรรมชาติแล้วหนัง ดูเข้าไปถึงเนื้อแม้แต่หนังภายในก็ดูเถิดข้างนอกนี่ก็มีแต่มูลเต็มไปหมดขี้เหงื่อที่ใครมีตรงไหนที่เป็นความสะอาดสะอ้านเป็นความสวยความงามในภายนอกที่เป็นเครื่องประดับหน้าร้านว่าสวยว่างาม น, นี่ว่ากันเอาเฉยๆจากผิวเข้าไปบางบางนิดเดียวเท่านั้น ก็จะเจอสิ่งที่จกรปลกโสงมมเป็นหมดรอบตัวแล้วพิจนารณาเลือกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตั้งแต่ธรรมชาติที่เป็นของปฏิกูลโสโครทั้งมวลถ้าหนังไม่หุ่มหอ่ อ, อไม่หุ้มห่อไวน้นี้ดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าหญิงว่าฉายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นหนังบางๆนี่แหละเป็นเครื่องคลางตาท่านบุรุตาฟางไม่หลง พญานจะเอาปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปถ้าเห็นตามความจริงของสิ่งนี้และทะุปุโร่งไปหมดทั้งภายนอกภายในรอบสกุลก า, ายทั้งภายนอกทั้งภายในแล้วจะติดจะพันจะรักจะชอบกันที่ตรงไหนแล้วอะไรจะมากดท่วงกิจใจที่ว่าอุปทานอุปทานความยึดมันม่นถือมั่นความรักความเจ้าหวนมันมาจากไหน ถ้า ม, มาจากความจอมปลอมที่ไปสําคัญมั่นหมายเอานี้เท่านั้นไม่มีที่มาปัญญาทำลายลงไปไเห็นแจงเพี้ยงขัดเกียนอกจากนั้นกาหนดลงใบเลยหนังเปลือยเน่าพังทลายลงไปเส้นเอ็นทนไม่ไหวหาดหลุดลุ่ยกระจัดกระจายไปกระดูกแต่ละท่อนละท่อนถึงเส้นเอ็นรัดดึงว้นั้นขาดลงไปขาดลงไป สวนภายในตับไตไส้พุิอาหารหม า, าหางเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วด้วยความปฏิกูลโสกุกมันยิ่งแสดงตัวให้เห็นอย่างชาัดเจนออกมาพัทางทลายลงไปเอาวจุดไหนเป็นจุดที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นจุดที่น่าสงวนชวนถมมีตรงไหนคำว่างามอยู่ตรงไหนว่าหญิงว่าชายอยู่ตรงไหนน่ารักตรงไหนน่าสงวนตรงไหน เป็นสาระแก่นสารที่ตรงไหนดูแล้วหมดทั้งล่างหายึดเอาไม่ได้เลยแม้เท่าเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่มีในร่างกายนี้เรามาตื่นลมตื่นแรงกันอะไรนี่ ป, นปัญญาแทรกลงไปเมื่อเห็นชัดเจียนแฉ่งแล้วจิตจะต้องถอนตัวออกมาแล้วพร้อมกับเกิดความสลดสังเวชตุ่นมโอ้โห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 หลายสันหลายขมหากมีแยบขึ้นมาให้สะดุดใจจุดหนึ่งจุดหนึ่งหรือขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะนี้มีคุณค่ามากพูดถึงเรื่องปัญญาแล้วสด้ดดขึ้นมาตรงไหนตรงไหนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสามารถทำลายกิเลสได้มากม า, กายกลกอง น, นี่เรื่องของปัญญาท่านก็สอนมาอย่างนี้นี่คือมัก ฝ่ายเหตุแกกิเลสอันเป็นสมมุดไวกันเป็นลำดับตำนาเข้าไปใ่ไม่เคยสงบก็สงบเพราะที่ไม่สงบก็เพราะความหลงนั่นเองเมื่อรู้แล้วไปวุ่นกับอะไรวุ่นหาอะไรจึงต้องใช้ปัญญาเป็นสําผัส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 ที่ท่านจดใจลึไว้พอประมาณและเป็นส่วนกลางๆเท่านั้นไม่พอกับความต้องการกิเลสมีมากมายอุบายวิธีที่จะนํามาแก้กิเลสซึ่งเหมาะสมกับจดนิสัยของคตนที่จะผิดขึ้นมาได้ก็ควรให้เกิดมีขึ้นตามสิ่งเหล่านั้นมีมากมายธรรมมีอยู่ทั่วไปท่านาหินรับปัญญาเขามีอยู่ทั่วไป สิ่งที่จะทําลายจิตใจก็มีอยู่ทั่วไปถ้าใจโง่เสียอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใจฉลาดแล้วมองไปที่ไหนเป็นหินนับปัญญาไปหมดเวลาใจโง่มองไปที่ไหนมีตั้งแต่ค่าสึกคอยกัดคอยฉีดเคี้ยวกรืนแล้วจนแหลกทั้งๆติดตัวไม่ตายให้กิเลสมันเหยียบย่ทำทําลายเคียวกรึนแล้วจนไม่เป็นผู้เป็นคนนั่น เวลามันโง่มันเป็นหนึ่งนันจิตเวลาจิตของเราโง่กิเลสมันยิ่งฉล า, าดเนี่ยเวลาจิตของเราฉล า, าดด้วยธรรมกิเลสมันก็หมอเหมอบด้วยขาดสะพั่นลงไปด้วยเป็นลำดับลํานาเนี่ยที่กลามาทั้งหมดนี้เป็นอุบาที่ถูกต้องทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะน่าลูปคลำ พอสอนตามความจริงอย่างนี้เอห้จริงเรามากันมากมายมาจากที่ต่างๆมุ่งเพื่ออาจเพื่อทาแต่ลําพังตนเองไม่สามารถก็ต้องสอะแสวงหาครูหาครูห า, ครหาอาจารย์มีในฐานะว่าเป็น หมู่เพื่อนเสรีรสันว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มาเคารพนับถือก็ได้แสดงอัดทำให้สังเต็มแม่เต็มหน่อยเต็มทักิกำลังความสามารถไม่เคยปิดบงังนี้รับไว้เลยแม้แต่น้อยและพูดตามความจริงด้วยอาหารด้วยไม่ได้คุยนด้ปฏิบัติมาอย่างนั้นจริงเวลาจะทำจิตให้สงบนี้ก็ไม่ใช่เล่นเป็นค่าสุดใจโตเหมือนกันที่ต่อสู้กัน พอจะได้รับความสงบ พ, พอเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นกลายมีหลักมีเกณฑ์ภายในใจพอจะยับยั้งชั่งตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นต้นทุนกนหนักไม่แช่เล่นเหมือนกันส ง, งบจงกนกระทั่งเอาให้ได้เมื่อไรได้ทั้งนั้นนันน่นแหจิตที่เคยคึกขนองฟังดี เอาให้สงบเมื่อไหร่ได้ทั้ง น, นั้นทำไมเป็นไปได้อย่างนั้นก็เพราะความชำนานในความสงบด้วยอุบายวิธีการของตนเองที่เคยปฏิบัติมานานจนช่าชองสงบเมื่อไหร่ก็ได้เป็นต้นทุนอันนึ่งแล้วก็ออกพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่ควรพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เป็นปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงใยในความสงบ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 ทำหน้าที่ของสมถะก็เอาให้กิ่งให้จังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาเหงเวลาจะดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาก็ไม่ต้องมาเป็นอารมณ์ห่วงใยกับสมถะทำหน้าที่ของวิปัสสนาไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือการปฏิบัติโดยถูกต้องสม่าเสมอหากเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะทราบในตัวของเราเองว่าการใดที่ควรจะเข้าสู่สมาธิพักสงบ และการใดที่ควรจะออกทางด้านนิ้ปัสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาในอาการแห่งธรรมทั้งหลายจะพ่ออย่างยิ่งกายยัคตาสติเป็นสำคัญมากนี่ตั้งแต่ภาค พ, พื้นไปถึงขั้นกลางกายเป็นสำคัญผู้ใดพิจารณาร่างกายไม่หยุดไม่ถอยผู้นั้นจะเห็นความสงบอันละเอียดละ อ, อของจิต จากนั้นก็ปล่อยกันได้เกี่ยวเหตที่เกี่ยวกับเรื่องกายเพราะเป็นขั้นๆตอนๆนี่ภาวนาก็นานผลปรากฏอย่างไรบ้างมันไม่ในเรื่องได้าวมันสมเหตุสมผลกันมาสาอารมมาอย่างไรหรือระหวังอะไรในในโลกนี้ว่าจะเหนือธรรมไป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 ที่เราจะพยายามแบบว่าตัวของเราออกในสิ่งที่เราหาความพิเศษสักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันไม่เจอเทนี้จะหาด้วยธรรมธรรมคืออะไรเ อ, อสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมฟาดลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยธรรมอันประเสริฐเลินโลกจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยขอให้กินเถอะสาคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติ เอาจริงเอาจังอย่าไปคำหนึงถึงเรื่องอำนาจวาถนามีมากมีน้อยเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นมันละเอียดมากกิเลสแทรกอยู่ในวงความเพียรนั่นแหละไม่ว่าความเพียรประเภทใดขั้นใดกิเลสประเภทนั้นขั้นนั้นต้องแทรกไปอยู่เสมอเสมอเพราะเป็นคู่แข่งกันไม่แทรกกันได้อย่งไรผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้แล้วยิ่งผ่านไปด้วยแล้วยิ่งทราบได้หมดอย่างละเอียดเะอ่ ไม่สงสัยความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือปราบสิ่งเหล่านี้ให้ราบไปหมดไม่มีซากิเลสแม้ตัวเดียวเหลืออยู่ภานในใจเลยเท่านั้นนั่นแหละที่นี่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในโลกที่เราเคยผ่านมานี้มีอะไรเป็นคุณเป็นโทษต่อจิตใจดวงนี้เรจะได้มองเห็นชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยว่ามีกิเลสเท่านั้น เป็นค่าศึกอันใหญ่หลวงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นค่าศึกอีกเลยทำไม่เคยเป็นค่าศึกต่อผู้ใดนะมีแต่ความเป็นอิสระเสรีอากาลิโกหาการสถานที่ที่เวลามเวลาไม่ได้คงเส้นคงวาอบปุ่นก็ พูดไม่ถูกเีย่นแะท่านท่านให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าความบริสุทธิ์ของจิตความเป็นอิสระของใจนี่เลยเป็นเจ้าของมันควบคุมบังคับบัญชากดขี่คมเหนย่ำยีตีแหลกตลอดแต่ไม่ตายจิตสลบสไายไปก็ไม่ตายมันต้องเอาทาเข้าแทรก เอาทำเข้าช่วยจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายไปหมดจากใจแล้วทีนี้ทำฝ่ายเหตุก็หมดปัญหาไปแล้วทินอันนั้นเราจะว่าผลก็ไม่ถนัดใจที่จะพูดแล้วทินแต่ส่วนมากโลกสมมุตินึ่งมีต้องเรียกว่าทำฝ่ายผลกันสาหรับธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่เห็นธรรมชาติที่เป็น ของท่านผู้รู้ผู้เห็นนั้นท่านไม่พูดท่านไม่ตั้งชื่อตั้งนามพอทุกอย่างอยู่ในนั้นพอเหมาะพอสมทุกอย่างแล้วในธรรมชาติอันนั้นนั่นคือว่านอกสมมุตินอกอย่างนั้นเองไม่ได้นอกเหนือฟากเมฆฟากหมอกไปที่ไหนอดีต ก, ก็หมดอนาคตก็หมดปัจจุบันก็รู้เท่า คือรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่รู้เท่าเพราะการกำหนดจดจ่อต่อสู้กันอย่างนั้นนั่นเป็นเชิงรบนะนี่ชัยชนะได้ชัยชนะแล้วคำว่ารบรบกินไม่มีเป็นอิสระเป็นความรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นร้อไม่ต้องมีท่าต่อสู้อะไรเป็นธรรมชาติของตนสมบูรณ์ในตนของตนเอง ถ้าจะพูดถึงผลก็คือผลแห่งการปฏิบัติมาหนักเบามากน้อยที่เกี่ยวต า, ารมาเพียงไรเหล่านั้นเป็นปุ๋ยอันดีที่เยี่ยมทีเดียวเป็นเครื่องสนับสนุนให้ ถ, ถึงจุดไหนเราไม่พอใจกับเหตุเพื่อผลอันนั้นแล้วเราจะพอใจกับอะไรมีที่สงสัยตรงไหนโลกนี้ที่ไม่มีปัจฉะอยู่ที่ไหนก็ปัจฉาติดกับตัวของเรา เราสงสัยที่ไหนอะไรวิเศษจากปาช้าวิเศษโลกนี้มีปชาช้าแต่พระท่านรักขัมีปชาช้ามีความเกิดแก่เก็บตายอยู่ด้วยกันก็าวิเศษตึงตามกันหมดการที่รู้เท่าทันสาเหตุแก้สาเหตุที่ทำให้เกิดมีป่าช้าการเกิดแก่เก็บตายหมุนเวียงเหล่านี้ออกจากใจเหตุโดยสิ้เนเฉิงนั้นเป็นสิ่งอย่างที่อัศจรรย์ดีเป็นสิ่งที่เราควรสะแสวงอยาอยู่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 สิ่งที่ปักเสียบอยู่ภาในจิตใจได้แก่ทเดียวต๊เพศต่างๆให้หมดไปมีความสนใจอยู่จุดนี้เท่านั้นงานนี้เป็นงานใหญ่โตเป็นงานสาคัญมากสำหรับเราผู้เทียข้ามพ้นจากวตาสงสารเห็นงานเราอื่นเราใดว่าเป็นของสาคัญจะมาเหยียบย่ำทำลายงานอันชอบทำนี่ให้หมดทางเดิน ก็ดอยลงดอยลงก็หมดทางเดินคนเราเป็นอย่างนั้นทำ น, น้าเหมือนน้ำสะอาดชะล้างลงไปที่มันสกปรกตรงที่มันสกปรกน้ำจะยกหนักบั่งก็ยอมเลยความสกรปรกมีมากต้องอนยกน้ำให้นักหนักมากๆ ม, มันจะพอกันหิริย์มันหนาแน่น ก็ฟาดกันลงให้เต็มเหนียวนี่ตายเพราะอำนาจกิเลสเราเคยตายมานานแล้วพบได้ท่านิใดมีแต่ตายพราะอำนาจของกิเลสตายพราะอำนาตของธรรมยังไม่ม เ, เอาให้เห็นให้ทำด้วยกุศลาเราเองไป็นไรมีแต่กิเลสมันอากุศลาธรรมอากุศลาธรร ม, มธรรมที่จะมากุศลาธรร ม, มานยังไม่มีเอาทำกุศลาธรรมาแปลว่าอะไรแปลว่าความชลา อ ก, กุศลธรรมมาแปลว่าความโง่ตายด้ยวยความโง่เกิดด้ยวยความโง่ซึ่นี่แวบยี่เหลียมันอ ก, กุศลารรมเราพวกเราให้งโง่ให้งโง่นเนี่ยอ ก, กุศลธรรมนี่เป็นกุศลาอตายด้วยกุศลาเป็นไรไปไม่มีอะไรที่หนาจะได้ละมีเกิดกับตายเท่านั้นนโลกมั น, นยี่เหลียมันพาคนให้ตื่นโลกพาสัตว์ให้ตื่นโลก มันมีคำว่าความพอดิบพอดีในโลกนี้มี่จะสระยิยิ้มย่องนี่ว่าดิบว่าดีว่าวิเศษอีโซหน้ามีแล้วมาด้วยกันทุกคนทุกคนก็อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอะไรก็มีอยู่แล้วมันถังไม่พอเรื่องของกิเลสต้องปีนคลอกปีนลูกกรงอยู่งั้นตลอดแหละอยากพาให้สัตว์โลกอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีถ้าไม่เคยทําถ้าทํามีมากน้อยนั้นมีได้ มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบตัวได้และรู้จักประมาณเป็นเป็นสุขเต็มตัวขึ้นมาเพราะการปฏิบัติระมัดระวังตัวเสมอผู้ปฏิบัติสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมีอะไรหลายบ้างอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสาคัญโดยถ่ายเดียวที่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาจะกลายเป็นฆาตสิทต่อเราโดยไม่รู้สึกตัวปัจจัยสี่นั มีอะไรบ้างเป็นเครื่องอาศัยช่วยการช่วยเวลาพอให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายในธรรมทั้งหลายของเ่านี่เท่านั้นอันนี้เป็นหลักใหญ่หยิดไปดปฏิบัติเอาให้กินให้จงเราอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนฝูงที่มาปฏิบัติได้เห็นผลอะไรบ้างขึ้นมาสมกับแนะนำสั่งสอนด้วยความเหน่ ย, ยากลาบากเรื่ยมา เป็นเวลาหลายปีแล้วอุบายวิธีครอวาจารที่แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นแต่เพียงมางแง่หนึ่งแง่หนึง่งเท่านั้นที่จะเป็นต้นทุนให้เรานําเข้าไปหรือเป็นสิ่งหยิบยืมจากท่านเพื่อเข้าไปสร้างตัวของเราให้เกิดผลดอกผลขึ้นมาอันเป็นต้นทุนหนุนกันเป็นกาไรขึ้นไปโดยลําดับหนัด้วยการพินิจพิจารณาของเราเอีก นี่เป็นหลักสำคัญมากต่อไปนี้ท่านบัญญาติอธิบายใี้เพือ่อนฟัง